เดี๋ยวนะคะรอวนรอบถัดไปนะคะลูก เปนนรกอย่างที่เราเข้าใจเนี่ยผมไม่มีนะนะยกเว้นว่าหมายความถึงเอหินร้อนล้อมเหลวใต้พื้นทะี่ปมนะใต้โลกแล้วเนี่มันมีหินร้อนล้อมเหลวน ะ, อ, ะอันนั้นอ่ะมันร้อนมากเป็กว่าเป็นนรกก็ได้ <Okay. S 1> เวลาเรารู้ได้ยังไงเรารู้ได้จากข้อเวลาเปาไฟระเบิด ก็คระเบิดมึงก็จพ่นหินหลอมเนวที่เรียกว า, าวาคู้จักลาวานะนน่นแหละมันอยู่ใต้ดินอยู่ใต้ดินลึกมากหลายหลายร้อยกิโลเมตรอันนั้นมันร้อนมากจะก็เป็นมันลบ ก, ก็ได้ใช่ั้นข้างบนเนี่ยนะมันก็เป็นฟ้าแต่ว่าจะเป็นจะมีเทวนาลอยพออยู่บน อยู่นบนนั้นเนี่ยไม่มีหรอกเพนะราะฉะนั้นเนี่ย ส, สวรรค์หรือนรกที่เราได้อ่านมาเนี่ย<บ>มันคงไม่ใช่สถานที่ไม่ใช่สถานที่นะไม่ใช่สถานที่อย่างที่เราเข้าใจนะแต่ว่ามันอาจจะเป็น สภาวะทางจิตใจสภาวะทางจิตใจซึ่งเราไม่อาจจะรู้ได้คนธรรมดาไม่อาจจะรู้ได้แต่ว่ามันมีนรกสวรรค์อย่างหนึ่งที่พระพุทธเจ้าบอกเป็นนรกที่นรกสวรรค์ที่ไม่ต้องรอให้ตายก่อนถึงจะเจอส่วนใหญ่เราต้องเข้าใจว่านรกสวรรค์เนี่ย จะเจอได้ต้องตายก่อนต้องหมดลมก่อนถึงจะไปเจอเนะแต่ว่าที่จริงแล้วพรเจ้าตัางก็มีนรกสวรรค์ที่เจอได้โดยที่ไม่ต้องรอให้ตายนระกที่ว่านี่ก็เรียก ว, ว่ามันเป็นภาษาบาลีนะผัสสะยตา น, นิคกันรกนะหรือเรียกให้เต็มย่อคือฉันฉผัสสะ ย, ยะตา น, นิคกันนรก หมายความว่าไงหมายความว่ามรกที่ตากูจมุกนิ้วกายใจฉาตแล้ว่าโกรนะชาตแล้ว่าโกรธอายตนะก็คือสิ่งรับรู้นะมีนรกอยู่ที่ตากูจมูกนี้ใจใจเวลาตาเราเห็นสิ่งที่ไม่ดนะีเวลาเราได้ยินสิ่งที่ไม่น่าผ่อนใจเช่นคำด่า ว, ว่าเนี่ยใจเราร้อนนะ เวลามีคนเขาว่าเราที่ใจเรารนะ้อนะเออนั่นหละเขาเรียกว่านารกหลักเป็นนรกที่มาทางตาหูจมูกนิ้วจ่ายใจหรือนรลบที่เกิดที่ตามหูจมูกลิ้วจายใจนะสวรรค์ก็เหมือนกันสวรรค์ที่มาทางตาหูจมูกนิ้วจายใจก็เหมือนกันอันนี้นรกและสวรรค์ตรงนี้เนี่ยสำคัญกว่าสําคัญกว่า เพราะว่าเราเจอทุกวันมีมีนิทานเรื่องหนึ่งนะอันนี้เป็นเรื่องจริงในประเทศ ญ, ญี่ปุ่นรู้จักซามูไรไหมซามูรไรอาซามูไรเนี่ยมาหาอาจารย์ท่านหนึ่งนะมาหาพระอาจารย์นะซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้แล้วก็เป็นนักบวชเป็นพระนั่นแหลนะ แล้วก็มาถามว่าท่านอาจารย์สวรรค์ น, นี้อนรบเนี่ยคืออะไรอยู่ที่ไหนนรบเนี่ยอยู่ที่ไหนคืออะไรอาจารย์บอกว่ า, วาสัมภูรายอย่างท่านจะรู้อะไรไม่มีสติปัญญาหรอกนะคำถามโพ่กแบบนี้เนี่ยไม่มีทางที่จะอธิปัตมาอธิบายไปก็ไม่รู้หรอก ได้ยินแล้วเป็นยังไงสมุรายนี่ได้ยินแล้วเป็นไ ง, ไนนไงโกรธชักชักดาบ ม, มาจะฆ่าอาจารย์ก็้แบบว่านี่ไงก็ลบใช่รธจะวะออนบบนี่ตอนนี้ก็รู้ว่างอ้อันนี้เป็นอุบายของอาจารย์น ะ, ะก็เลยไถ่โกรธเอามีดใส่กลับเข้าไปในฝันนะ แล้วก็ยิงมด้วยความเข้าใจอาจารย์บอกนี่แหละสวรรค์สวรรค์อาจารย์นะอาจารย์กำลังสอนเรื่องโกสวรรค์ที่ไหนฮนะดีใจถ้าโกรธก็โลกถ้าดีใจสบายใจก็สวรรค์นะชอบก้านไหนทักเรียนนะโนะลกสวรรค์อย่างนี้ที่เจอบ่อยนะบ่อยนะ เวลาไห้ทำการบ้านมาเนี <sm> nah <i> ่ยนะเป็นยงไงเวลาครูให้กันบ้านมาวารุษขึ้นหรือนำกันบ้านรู้สึกยังไงเวลาเวลาเงินหายของหายสมุทรหายรู้สึกยังไงเสียใจเสียใจนะน่ากังวลลหรือทำอะไรผิดเนี่ยทำอะไรผิด แล้วก็รู้สึกผิดอันนั้นก็ระอกนะดังนั้นคนเราถ้าเกิดอว่าเราทำอะไรไม่ถูกนะใจเราจะไม่สบายไม่สบายใจนะอัน้นและรลกแต่ถ้าเราทำความดีนะเราไปช่วยเหลือคนนะเพื่อนเ้าเดือดร้อนเราช่วยเขาหรือว่าเราเห็นสัต์เห็นนกลุมนกตกมาจากต้นไม้เราช่วยไม่ให้ ไม่ให้แมวไม่ให้หมากัดนะเราสบายใจนะเรามีความสุขนะถ้ามีความสุขนั่นคือสวรรค์นั่นแหละคือใจที่เป็นบุญใจที่เป็นบุญเกิดขึ้นเมื่อเราได้ทำความดีตอบมีอะไรอค้างไหมตอบคบหรวอเปล่าใ่ค่ะ สงสัยไม่ว่าหลงลุ้ได้ยังไงสงสัยไหมคะไม่สงสัยเพราะว่าสงยแล้วเพราะว่าหลงลุ้นก็หลงลุ้นก็เคยเจอแล้โลกก็สวัสดีเกินไปนะแล้โลกก็ตกมาแล้วสวัสดีก็ขึ้นมาแล้วก็เลยรู้ได้เหมือนกับนักเรียนนักเรียนก็เยอกมาลกมาแล้ว่หเวลาเวลาเวลาเสียใจเวลาโกรธน่ะออกมาโลกนะถ้าไม่อยากตกมาลกก็ นะีอย่าทำความผิดนะให้กาใจแช่ชื่อหลือ บ, บางทำความดนะีอันนั้นก็จะขึ้นสวรา์ได้เดี๋ยวคันนี้ครูเดินไปข้างหลังบ้างนะคะเผื่อว่า ท, ที่ที่อยู่ข้างหลังขอต้อนะรับโลอาคนนี้เขาก็หลังก่อนได้ไหมแลวคืออไปเป็นพวกเราน่น ถ้าตายแล้วร่างกายก็อยู่ตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นแหละนะไม่ไปไหนหรอกนะก็ถ้าถูกถูกหาใบเผาก็กลายเป็นอากาศสาัมผัสแล้กคืนสู่ธรรมชาติแต่ว่าจิตใจนะจิตใจเนี่ยคนเรามันมีร่างกายแล้วก็จิตใจร่างกายมันไม่ไปไหนหรอกะนะตายตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นแหละเแต่ว่าคนเขาจะหาไปแต่ว่าจิตใจเนี่ยนะ อันนี้เรื่องหนึ่งจิตใจนี่ถ้าเกิดว่ายังยังมีกิเลสอยู่เพืนนะ่องายยังยังยังมีกิเลสก็มีเหตุให้ต้องไปเกิด ม, ม, ม, ม, มันเหนะมือนกับเหมือนกับมีเมล็ดนเหมือนกับว่า ต้นข้าวเนี่ยันออกลูกมาไอ้มันออกรวงมาแล้วก็มขึ้นก็มีเมล็ดเมล็ดนี้เนี่ยถ้ามันยังมียางอยู่เมล็ดนี่ถ้ามันยังมียางอยู่ไม่เรียกว่ายานมันก็ยังสามารถเกิดได้อีกแต่ถ้าเกิดว่ามันกลายเป็นข้าวสารไปแล้วนะมันก็ไม่ไปเกิดแล้วเมล็ดเนี่มันมีสองแบบเมล็ดที่สามารถเกิดใหม่ได้แล้วก็เมล็ดที่เกิด เอาไปเพอะปล่งใหม่ไม่ได้แล้วคนเราส่วนใหญ่ก็ไม่ขาดจากมเมล็ดที่มันมยังยียานอยู่เพราะนั้นมันก็สามารถจะไปเกิดใหม่ได้น้อยคนที่จะเป็นเหมือนขสาลนั่นคือว่าไม่ไปเกิดแล้วนะจบ ศาสนาก็ว่าฆ่าอบาบาไม่เท่ากันเพราะว่าความพยายามหรือลดหรือแรงหรือว่าความตั้งใจที่จะฆ่ามันต่างกันเวลาเราจะฆ่าช้างเนี่ยมันมันต้องใช้ความตั้งใจเยอะนะมันต้องใช้ความพยายามมากเพราะฉะนั้นเนี่ย จิตเนี่ยมันจะเป็นไอ้ความพยายามในการทำชั่วเนี่ยถ้าหากว่าใช้ใช้มากเนี่ยมันก็เป็นบาปมากแต่ว่า อ, อย่างมดเนี่ยหรือว่าอย่างยุงเนี่ยความพยายามในการที่จะฆ่าเนี่ยมันมันเล็กน้อยนะเราตอบมาที่เดยมมันก็ตายนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอเรียกว่า บาปที่จะลงทุนการลงทุนลงแรงด้วยใจที่เป็นบาปเนี่ยมันน้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าบาปน้อยกว่าคนะือบาปหรือไม่บาปน้อยบาปมากเนี่ยมันขึ้นอยู่ว่าจิตใจที่เราจิตใจที่เราจิตใจของเราเป็นอย่างไรในขณะที่เราทำกรรมนั้นนะถ้าเราทำด้วยความโกรธมากทำด้วยเจตนาร้ายมากก็บาปมาก ถ้าเราทำด้วยเจตนาที่ไม่แรงมันก็บาปน้อยอันนี้ก็้เวลาเราเวลาเวลาเราเหมือนมือนกับเวลาเราจะผักก้อนหินนะถ้าก้อนหินก้อนหนัต้องใช้แรงเยอะใช่ไหมแต่ถ้าก้อนหินเบาๆเนี่ยใช้แรงน้อยความชั่วบางอย่างเนี่ยมันต้องใช้ความชั่วต้องใช้แรงเยอะ ถ้าความชั่วที่ใช้แรงเยอะเนี่ยบากเยอะความชั่วที่ใช้แรงน้อยก็าบาปน้อยนะสมมุติเป็นศักท์เท่ากันใช่ไหมมันขึ้นอยู่เจตนาบาปไม่บาปขึ้น อ, อยู่เจตนาถ้าเราทำด้วยความโกรธนะทำด้วยความโกรธทาด้วยความเกลียดเนี่ยมันจะบาปน้อยกว่า การที่เราข้าโดยไม่ตั้งใจหรือว่าโดยความหรือว่าหรือว่าข้าด้วยความไม่ได้โกรธเกลียดนะแต่เช่นเอาไปเอาไปกินเป็นอาหารเนี่ยเจตนาที่มันเป็นลบเนี่ยมันมน้อยกว่าแต่ก็บาสนะข้าเพื่อเอามาเป็นอาหารก็บาสแต่ว่ามันจะน้อยกว่าการที่ข่าด้วยความโกรธเกลียดเพราะความโกรธเกลียดเนี่ยมันมันเป็นอัุผูศร น, นะที่จ ะ, ะที่จะ ทำให้จิตใจเราเศร้าหมองมากกว่าบางทีเราฆ่าเนี่ยเป็นอาหารเพราะความจําเป็นไม่อยากฆ่าก็ต้องฆ่านะไม่ได้ทำเพราะความโกรธเกลียดเพราะฉะนั้นความติด ท, ที่เป็นอกุศลเนี่มันจะน้อยกว่านะแต่ถ้าเราแต่ถ้าเราเลี่ยนการฆ่าได้เนี่ยเป็นดีที่สุดนะอย่ามเลี่ยงให้ได้มากที่สุด มีกลุ่มนึ่ยกมือรอเลยค่ะได้จ่ะพ่ะค่าหนึ่งอยู่ที่ไหนโ้ค่ะทำไมคะต้องมีสี2 2งร้อเจข้อจ้ะคะ อันนี้เนี่ยมันเป็นมันเป็นระเบียบมันเป็นกติกานะคือการมาเป็นพระเนี่ยในเรื่องสมัครใจนะแต่คนนี้ใครที่ต้องการจะมาเป็นพระเนี่ยก็ต้องถือศีลให้มากเพราะว่าการเป็นพระเนี่ยมันหมายมันหมายถึงการถึกฝนคนที่มาเป็นพระเนี่ยโดยหลัก ตามความหมายแลาหมายถึงูที่ต้องการมาฝึกฝนพัฒนาตนเมื่อพัฒนาตนแล้วเนี่ยก็ต้องมีข้อบังคับเพื่อที่จะทําให้กายวาจาใจเนี่ยมันงดงามแล้วก็เบียดเบียนคนอื่นน้อยที่สุดอย่างเช่นคาวะเนี่ยยังยังยังฆ่าสัตว์มากินได้ใช่ไหมยังจับปลามากินได้แต่แตพระทําไม่ได้วินัยเนี่ย สอยี่สิข้อเนะี่ยดีไว้เพื่อฝึกหัดขัดเกลานฝึกหัดขัดเกลาเพื่อให้มีชีวิตที่งดงามมีชีวิตที่ไม่เป็เยียดเรียนใครมันก็คงเหมือนกันนับเรียนนะอตอนเรียนตอนเรียนอนุบาลอาจจะเรียนแค่เก้าโมงเช้าบ่ายสองก็เลิก ใา่ไหมแต่พอเรียนประถมมัธยมเนี่ยวิชาเรียนมันก็มากขึ้นเพราะว่าต้องมีการฝึกฝนอบรมในเรื่องความรู้มากขึ้นบางคนก็ต้องเรียนไปจนข้ามก็มีนะอันนี้เรียก ว, ว่ามันเป็นมันเป็นมันเป็นระเบียบ น, นะมันเป็นเหตุเป็นเงื่อนไขในการที่จะฝึกฝนพัฒนาตนนะแต่ไม่ได้แปลว่ามีระเบีย ข้อบังคับมากๆนี่มันจะดีเสมอไปนะแต่ว่าในสำหรับพระสงฆ์เนี่ยการที่ฝึกมีระเกียวข้อบังคับมากเนี่ยมันก็เป็นการขัดเกลววินัยบางข้อกเช่นว่าเวลากินข้าวห้ามส่งเสียงดังนะมีวินัยบางข้อว่าห้ามสง่งไม่ไม่ฉันเวลาฉันอาหารเนี่ยไม่แลบลิ้นไม่ฉันดับไม่ร้องไม่ส่งเสียงดังจั บ, จบ ไม่ส่งเสียงดังสู้ๆใชนะ่ไหนักเรียนก็ทำนะอาจจะมีระเบียบในโรงเรียนใช่ไหมเวลากินข้าวนี่ห้ามส่งเสียงดังห้ามเอามือเปื้อนจับภาชนะมือเปื้อนเนี่ยสมัยก่อนกินข้า ว, วกินข้าวด้่นมือมือเปื้อนนีห่ห้ามจับห้ามจับภาชนะนะห้ามฉันแหลกลิ้นนะเวลากินข้าวเนี่ยห้ามแหลกลิ้นนะ หรือว่าเวลากินอาหารเนี่ยก็ให้กินแต่พอประมาณนะให้พวกนี้เนี่ยมันเป็นมันเป็นเครื่องฝึกฝนอบรมให้มีเกิยริยยามารยาทที่งดงามแล้วก็รู้ถึงไม่ไปเรียดเียนใครด้วยเช่นว่าห้ามขอข้าวห้ามขอจีวอน ยาดโยนที่ไม่ใช่ยากอันนี้ก็เป็นการอบรมเพื่อให้ไม่เป็นเหยียเทียนไทรคือมันก็เป็นธรรมดาคนเราเมื่อจะพัฒนาฝนเนี่ยมันก็ต้องมีระเบียบข้อบังคับเยอะอนนเพื่อช่วยในการฝึกฝนอบรม นานี้มันมีมาตั้งแต่สมัยมนุษย์ยังยังอยู่อยู่ป่าล่าสัตว์นะสัตว์มนุษย์ุษเนี่ยเราต้องการที่พึ่งสมัยที่เราอยู่ป่าเนี่ยมันมีสัตว์ร้ายที่ต้องระมัดระวังแล้วก็มีแผ่นดินไหวมีน้ำทพวกมีภัยธรรมชาติที่มนุษย์เราไม่เข้าใจ เราก็นึกว่ากรณีพิโรธเพราะว่าเทวดาโกรธพระเจ้าไม่พอใจเพราะฉะนั้นจะต้องมีาศาสนาก็คือว่ายิวอลเทวดาเพื่อให้ไม่ไม่เกิดใครที่ปักหรือว่ามีสัตวาก็ต้องพึ่งพาเทวดาเพื่อคุ้มครองอันตราย พูดง่ายคือว่าเรามีศาสนาเพื่อปกป้องเราจากความทุกข์สมัยก่อนเนี่ยบรรเราเชื่อว่าบางีพระเจ้าที่จะโดนบันดานให้เราสุขทุกข์ดได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องยินวอนร้องขอเทวดาเพื่อสร้างความสุขให้แก่เราเพื่อปกป้องอันตราย แต่ว่าเมษย์เราพอพัฒนามากขึ้นเนี่ยเราก็จะพบว่าความทุกข์ที่แท้จริงเนี่ยคือความทุกข์ที่ใจตรงนี้แหละที่พุทธศาสนาเกิดขึ้นมาเพื่อให้เราเนี่ยได้รู้วิธีจับทุกข์ที่ใจนะซึ่งมันเป็นศาสนา ท, ที่ทันสมัยมากเพราะว่าสมัยนี้เนี่ยความทุกข์จากศัพท์จากสิงาสาราศเนี่ยมันน้อยลงแล้ว ความทุกข์ทางตายอย่างนี้มันน้อยลงนะ้วเพราะเรามีวิทยาศาสตร์มีเทคโนโลยีให้เมื่อสมัยก่อนโรคระบาดเกิดขึ้นง่ายความทุกข์ทางตายเกิดขึ้นง่ายจากสุญสาราศาสตร์จากการาจากแท่นดินไหวจากภัยธรรมชาติจากความสิ้โถอยแต่เรนี้เรามีวิทยาศาสตร์มีวิทยาศารมากขึ้นเนี่ยความทุกข์ทางตายมันน้อยลงมีความสะดวกสบายทางตายมาแทนที่ เดีย๋ยวนี้พวกเรานี่ก็รู้จับความผิวแล้วนะไอ้โครคไข้ไข้เจ็บทตายก็นเป็นว่าเล่นไข้ฉลุดที่แคนาดวานีเดี๋ยวนี้เราก็ไม่เป็นกันแล้วน้อยมากแต่ว่าสิ่งที่มนุษย์เราเนี่ยไม่เคยผูกพ้นเลยก็คือความทุกข์ทางใจศา ส, สนาพูดเกิดขึ้นมาเพื่อที่จะช่วยให้เราดับทุกข์ทางใจนะดับทุกข์ทางใจด้วยการที่ทําให้ใจเนี่ย หมดกิเลสเพราะความทุกข์ของเราจะเกิดจากความโลภความโกรธความหลงเกิดจากความโกรธความเกลื่อนที่เมื่อกี้พูดเรื่องนรกนะนรกเกิดขึ้นเพราความโกรธความเกลื่อนเนี่ยเป็นเพราะเรามีกิเลสมีความหลงอยู่เหตุเกิว่าเราลดละความโกรธความหลงความเห็นแก่ตัวเนี่ยความทุกข์มันก็จะลดน้อยถอยลงไปเรื่อยๆอันนี้คือความจําเป็นต้องมีศาสนา ศา ส, สนาพุทธไม่ใช่ไม่ใช่ศา ส, สนาสําหรับปัญหาที่พึ่งจากภายนอกแต่ใครยมีที่พึ่งจากภายนอกที่เรียกว่ายัางไม่รู้จักศาสนาพุทธศาสนาพุทธที่เราจะไม่หวังพึ่งพาภายนอกแต่เราจะหวังพึ่งตนเองวิจารณ์ต่างกตนนั่นแหละเป็นที่มีเหตนก็คือว่าต้องสึกฝนตนพัฒนาตนตนหมด อ, อิเลสนะ ถึงตอนนั้นเราก็จะหมดทุกอันนี้นะคือความหมายหรือประโยชน์ของการมีศาสนาหรือพระพุทธศาสนา เราเปเนี่ยนี้พอเกินข้าวไปแล้วเาบบถึง่อตาดยครับเราจะได้บุญอเป่บุญนี่มันอยู่ที่เจตนาเรามีเจตนาดีใช่ไหมเราให้ข้าวเขาเนี่ยเราก็ได้บุญแล้วเขาจะเอาข้าวไปทาอะไรเนี่ยเป็เรื่องเมื่อเราให้เรามีเจตนาดีอยากช่วยเขาเรามอบข้าวาให้ ข, ข, ข้าวเขาตอนนั้นเราได้บุญแล้ว ส่วที่เขากินข้าวแล้วติดคอเนี่ยมันเป็นปัญหาของเขาเช่นเขาได้กินด้วยความกินไม่ละมันระวังกินไม่มีสติอันนั้นไม่ใช่เป็นเป็นเพราะเราแต่เป็นพราะเขาไม่มีสติข้าวที่เราให้ไปก็เป็นข้าวที่ดีใช่ไหมเป็นข้าวที่ปลอดภัยเป็นข้าวที่ถูกสุขลักษณะไม่มียาคิดนะแต่ว่าที่เขาติดคอนี่เพราะเขากินไม่มีสติ อันนั้นไม่เกี่ยวข้องกับเราเพราะฉะนั้นนี่เราก็ไม่ต้องต้องรับผิดชอ บ, ก, บ, ก, บกับกับการให้ทานนะ ต, ต้องดูที่เจตนานะอย่าไปดูที่ผลอย่างเดียวอย่างเราเดินเราเดินไปแล้วเจ็บเหยี็บ ม, ม, มดตายเนี่ยถ้าไม่ได้เจตนานี่ก็ไม่ถือว่าบาปนะดูที่เจตนาอย่าดูที่ผล พอดีได้ฟังหลวงปูแล้วพื้นศิ์ว่าถือไมโครโฟนแล้วกันนะคะขออน <c oughs> ก็เลยสงสัยนะคะว่าถ้าสมมุติว่าลูกๆ อ, อารมณ์ไม่ดีอารว่าในบ้านแล้วก็ทะเลาะกับพ่อแม่พ่อแม่ก็รู้สึกบุดบิบแล้วก็เดินออกไปแล้วก็เกิดว่าไปรถชนอย่างนี้ลูกๆบาดไหมคะเออในบาดเหร ก็ลูกแสงเจตนาจะให้แม่โดนรถชนตายหรือว่าโดนรถชนบาดเจ็บนะแต่ว่าลูกอาจจะรู้ผิดได้ว่าถ้าเราไม่ไปถ้าเราไม่ถ้าเราไม่ทําตัวโกรดอยู่งเหยิงนั้นเนี่ยแม่ก็คงจะไม่ออกไปทัางนอกให้รถชนใช่ไหมคือผลเนี่ยในทางในทางในทางในทางคําพ้าเนี่ยมันอยู่ที่เจตนาจริงแต่ว่า ในทางโลกเนี่ยมันก็ต้องดูที่ตัวผลด้วยผลที่เกิดขึ้นเนี่ยเราก็ต้องรับผิดชอบนะแต่ว่าในทางธรรมเนื่องจากเราไม่มีเจตนาเราะฉะนั้นก็ไม่บาปมันจะบาปก็ตรงที่เราคําพูดและการกระทําที่เราแสดงออกต่อแม่เนี่ยอาจจะบาปตรงนั้นก็คือว่าอาจจะพูดไม่ด่กับแม่ หรือว่าแสดงอาการเพื่อทำให้แม่เป็นทุกข์ด้วยความตั้งใจอันนั้นเนี่ยก็ก็เป็นบาปได้บาปในที่นี้เ น, นี่ยมาจากอุซอที่เกิดขึ้นในใจความเศร้าหมองที่เกิดขึ้นในใจจากครั้นี้แม่แม่มโมโหลแล้วแม่อารมณ์เสียแล้วออกไปข้างนอกนี่ความถ้าโดนรถชนนี่ก็เป็นเพราะแม่ไม่หมัะสิ คนเราก็เป็นธรรมดาความอยความโกรธความมีความโมโหความมีความเสียใจความขาดสติอันนั้นเป็นเป็นปัญหาของแม่นี่ไม่ใช่เป็นเพราะผู้ต้องมองเป็นส่วนส่วๆบอกยังยังไม่หมดค่ะแต่ใเด็กๆจ้าเดี๋ยวอยากชวกนให้เด็กๆนั่งนิ่งๆสัก หนึ่งนาทีได้ไหพคะให้หลวงลุงพักนิดหนึ่งแล้วก็จะได้ไม่เหนื่อยดีไหมคะก็พอได้ยินเสียงละวค่อยากให้เด็กๆนั่งนิ่งๆสักหนึ่งนาทีนะลูกโอเคนะคะ เดือนหน้าปีหน้ามีไหมนั่นแหละในชั้นหน้าก็ก็ยังมีอยู่ตามใดที่เรายังมีลมหายใจเราก็ต้องได้เจอคนผู้นี้ถ้าเรายังมีสุขภาพดีเราก็ยังเ้องต้อ ง, ต, องต้องได้เจอปีหน้าเราก็จะอยู่ถึงปีหน้าแต่คนบางคนเนี่ย ก็มีแต่วันนี้ไม่มีพรุ่งนี้แล้วลก็ข้อมูลรวมเท่าก่อนเพราะนั่นเนี่ยชาติหน้ามีสําหรับบางคนแล้วก็ไม่มีสําหรับบางคนแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนส่วนใหญ่แล้วต้องมีมิชาั่นหน้ามีคนส่วนน้อยที่อาจจะไม่มีชาติหน้านะคือหมดวันนี้ก็จบเลย โกหกมีผลยังไงกับ <chat> ต <h> ัวเด็กเนาะคะเด็กโกหกนะก็เพราะว่าเด็กเนี่ยประการแรกเด็กไม่ซื่อสัตย์นะเด็กไม่ซื่อสัตย์จงใจปกปิดความจริงและที่ปกปิดความจริงก็เพราะว่าทําสิ่งที่ไม่มีอันนี้เนี่ยสองอย่างนีเนี่ยมัน มันจะเป็นการบบเพาะนิสัยที่ไม่ดีให้กับเด็กแล้วก็ทำให้เด็กเนี่ยมีความทุกข์เพราะคนเราเนี่ยเมื่อทำความไม่ดีเนี่ยก็รู้สึกไม่สบายใจอยู่แล้วและเมื่อทำความไม่ดีก็ต้อง บ, บกปิดให้การบกปิดก็เป็นความไม่ดีซ้าซ้อนเข้ามาอีกนะ พอทความไม่ไดีซ้ำซ้อก็ยิ่งไม่สบายใจนะครา น, นี้ความไม่สบายใจก็ทําให้เกิดความทุกข์อันนี้คือผลข้อแรกคือผลที่ใจตั ว, ตวเด็กทุกสองชั้นนะอันที่หนึ่งคือทําไม่ดีทําความไม่ดีแล้วก็ปกปิดความไม่ดีนั่นเอาไว้ทั้งความไม่ดีแล้วก็การปกปิดความไม่ดีเนี่ยมันทําความทุกข์ให้ทําความไม่สบายใจให้ ข้อที่สองก็คือว่าถ้าเกิดว่าโกหกพ่อแม่แล้วพ่อแม่รู้นะเราก็จะมีเรียกว่าความน่าเชื่อถือของเราก็จะน้อยลงคนเราเนี่ยมีมีทรัพย์อยู่อย่างหนึ่งนะเราเรียกว่าความน่าเชื่อถือความน่าเชื่อถือนี่เป็นเป็นทรัพย์อย่างหนึ่งของคนเรา นะภาษาฝรั่งเรือกเครดคิตนะเครดคิต ค, คนเรานะนักธุรกิจนะถ้าไม่มีเครดิตนะทำอะไรไปก็ไม่เจริญเพราะว่าไม่มีคนเชื่อไปกู้เงินธนาคารเขาก็ไม่ให้ใช่นักเรียนก็เหมือนกันเด็กๆก็เหมือนกันถ้าหากว่า โกหกแล้วพ่อแม่รู้ความน่าเชื่อถือของเราที่เคยมีหนึ่งร้อยก็อาจจะเหลือแปดสิบถ้าเราโกหกครั้งที่สองก็อาจจะเหลือแค่เจ็ดสิบนะโกหกครั้งที่สามันจะเหลือแค่หกสิบเมื่อเราไม่มีความน่าเชื่อถือเนี่ยนะมันก็ก็มีความทุกข์ เราขอยืมเงินเราขอยืมเราจะขอเงินพ่อเราจะขอเงินพ่อแม่บอกว่าจะไปซื้อหนังสือพ่อแม่ก็ไม่เชื่อเพราะว่าเราไม่มีเครดิตแล้วเครดิตเราเสียไปความน่าเชื่อถือเราเสียไปนักเรียนชอบเราขอเงินพ่อแม่บอกว่าจะไปซื้อหนังสือเนี่ยแต่ว่าแม่ไม่เชื่อนะทำไมไม่เชื่อเพราะเราเคยโกหกมากรณ์ หรือเราจะไปยืมหนังสือยืมดินสอเพื่อนเพื่อนไม่ให้ยืมเพราะว่าเราเคยโกหกมาก่อนนะอย่างนี้เราก็เสียชื่ อ, อะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือผลประการที่สองก็คือว่าความน่าเชื่อถือลดลงหรือว่าเสียชื่อ และเราไม่ได้เสียชื่อเฉพาะกับพ่อแม่คนอื่นพอรู้เขาว่าเราโกหกพ่อแม่เขาก็ไม่เชื่อเราแล้วนะความน่าเชื่อถึงเราก็จะลดลงและต่อบประการที่สานะก็คือว่าพอเราโกหกไปพอเรากโกหกครั้งหนึ่งเนี่ยครั้งที่สองมันก็โกหกง่ายขึ้นพอเราพอทําความชั่วครั้งหนึ่งนะครั้งที่สองก็จะทําง่ายขึ้น พอทำไปบ่อยๆก็เป็นนิสัยนิสัยหนึ่งที่เกิดขึ้นกับคนชอบโกหกคือนิสัยมักง่ายนะก็คือแทนที่จะพูดความจริงก็ก็อ้างโน่นอ้าง น, นี่นะนะก็จะทำให้เป็นคนที่ไม่มีความเจริญนะความน่าเชื่อถือหรือชื่อเสียงก็ไม่มีนะทำอะไรก็ ผู้อะไรไปเขาก็ไม่เชื่อน ะ, ะคนเราเนี่ยจะอยู่ได้เนี่ยมันก็เพราะว่ามีความเชื่อถือกันนะถ้าไม่มีความเชื่อถือแล้วเราก็อยู่ลำบากเพราะฉะนั้นเนี่ยผลมันเยอะนะถ<ร>ึงแม้ว่าเราจะโกห ก, กเล็ก ๆ, ๆน้อยๆนะแต่ว่ามันจะมีผลเสียทั้งต่อเราเองต่อจิตใจของเราผลเสียต่อ ชื่อเสียงของเรามีผลเสียต่อความสัมพันธ์ระหว่างเรากับคนอื่นก็เรียกว่าเป็นการทําร้ายตัวเองเป็นการไม่รักตัวเองคนที่อยากจะคนที่โกงบ่อยๆนี่เรียกว่าเขากำลังทําลายตัวเองอันนี้ก็ต้องพยายามพยายามที่จะพูดซื่อพูดให้ซื่อตรงนะ ให้มีความซื่อสารสุจริตนะอันนี้ดีที่สุดเพราะไม่งั้นเนี่ยเราจะโกหกไม่หยุดเราจะโกหกไปเรื่อยๆจนกรท่าไม่มีใครเราะเชื่อเราเลย ควรเป็นนะถ้าเราสวดนวรเป็นแล้วก็นั่งสมาธิถูกนะเราจะได้ความสงบและความสงบเนี่ยเป็นความสุขอย่างหนึ่งนะความสงบเป็นความสุขอย่างหนึ่งเวลาเราเวลาเราเครียดเวลาเราโกรธเวลาเราโมโหเวลาเราเสียใจเนี่ยนะนั่นแปลว่าจิตเราไม่สงบละ จิตที่ไม่สงบนะก็คล้ายกับจิตที่อยู่ในนรกนะแต่พอเรานั่งสมาธิเราสวดมนต์จิตใจเราสงบจิตใจเราเป็นสมาธิเราก็จะก็จะสงบ ก, ก็เหมือนกับขึ้นสวรรค์นนะอันนี้คือประโยชน์ข้อแรกเลยข้อสองคือถึงแม้เรายังนั่ง ส่วนสวนไม่ถูกนั่งสมาธิไม่ถูกแต่ประโยชน์มันก็มีเหมือนกันนะก็คือว่าช่วงนั้นเนี่ยเราก็จะไม่ทำบาปคนเราขนาดที่สวดมน์ขนาดที่นั่งสมาธิเนี่ยจะไม่มีวันทำบาปนะไม่ว่าจะเป็นการรักขโมยการพูดโกหนั้นอย่างอย่างน้อยๆเนี่ยนะมันก็เป็น เป็นโอกาสในการที่จะทาให้เราเนี่ยหลีกเลี่ยงการทําบาปหรือว่าการทําสิ่งที่เป็นโทษกับตัวเราเองบางคนแทนที่จะนั่งสมาธิหรือสวดมนต์นนะก็จะไปะใช้เวลาไม่ถูกต้อง ไปยิงลกอบกปลาหรือว่าไปพูดจาเบอิอเจออันนั้นเนี่ยเป็นโทษเพราะฉะนั้นเนี่ยการสวนมลตังสมาธิเนี่ยข้อดีอย่างแรกคือว่ามันทำให้เรารักษาศีลได้ครบถ้วนศีลห้าเนี่ยเรารักษาได้ครบท้วนเลยในช่วงที่เรานั่งสมาธิสวดมนต์และถ้าเรานั่งสมาธิอยู่สวดมนต์เป็นเราก็จะได้ความสงบ และความสงบเนี่ยนะมันจะช่วยทําให้เราเนี่ยเหมือนจะขึ้นสวรรค์และยังทำให้เราเนี่ยมีความจําดีเป็นคนที่จําได้แม่นเป็นคนที่มีสติปัญญาเพราะว่าสิทตมันสงบแล้วเนี่ยสมองก็จะปลอดโปร่งพอสมองปลอดโปร่งแล้วเนี่ยจําก็จําได้ดีคิดอะไรก็คิดได้ทะลุปปโปร่ง ดังคนที่นั่งสมาธิสวดมนต์นะถ้าเขาทาถูกทาเป็นเขาก็มักจะเป็นเด็กที่เรียนดีเป็นเด็กที่เรียนดีเป็นเด็กที่ไม่โกรธ ง, ง่ายเป็นเด็กที่ใจเย็นแล้วก็เป็นเด็กที่มีเมตตาเพราะว่าพอจิตสงบแล้วเนี่ย ก็จะมีเมตตากรุณาได้ง่ายจะไม่ชุนเฉียวจะไม่ก้าวรนะ้าวเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นการเรียกว่าพัฒนาบุคลิ ก, กภาพเด่นขึ้นมานอกจากจะมีความสงบแล้วยังมีความสุขแล้วก็ยังมีบุคลิ ก, กภาพที่ดีนะภาษาฝรมมัรงงาา่งเขาเล่นแล้วก็รู้ว่ามีภาวะทางอารมณ์ที่ดีด้วยภาษาฝรั่งเรียก EQ นะ EQ แล้วพอมี EQ แล้วเนี่ยมันก็จะไปพัฒนา IQ ได้ประโยชน์มันเยอะมากนะรู้จักไหม EQ กับ IQ นะอันนี้คือไอ้โพสทำไม EQ สังชอบนั่งสมาธิในชะ่ <c oughs> ไหมรู้จัก EQ ซังป่ะ <c oughs> พอ EQ ซังแก้ปัญหาอะไรไม่ออกมีปัญหาแล้วแก้ไม่ตกก็นั่งสมาธิเพราะว่าจิตใจจะโปร่งโล่งคิดออกนะคนเราถ้าจิตใจว่างุ่นเนะี่ย สมองมันทำงานได้ ไ, ไม่ดีนะแต่พอเร า, ารมมติจเราสงบเนี่ยส ม, มองจะทางานได้ดีคิดอะไรได้ออกเร็วน ะ, ะในในท้ายชั่วคาคุณนายจะถามคาถามอะไรที่มีอยู่ในทุกแผ่นยังไม่มีใครถามหลวงลุงเลยอะคะฮะอะไรนะถีมีอะไระคะีวนะอน ทำไมพ้องใส่จีวรมีคำถามมาคำถามที่มีอยู่ในเกือบทุกแผ่นเลยจะไม่มีใครถามถามอะไรถามอะไรก็มีในในคำถามของพวกเราเนี่ยมีเกือบทุกแผ่นนะคะทำไมพลาต้องใส่จีวรทำไมจีวรต้องเป็นสีเหลืองทำไม ขึ้นถืน อ, อว่าผีที่เราหมายถึงอะไรถ้าผีประเภทผีมาแหก อ, อกนะมาหลอกเราเนี่ยอันนี้ส่วนใหญ่นะมันเป็นเพราะว่าเราคิดไปเองคนะเราคิดไปเองคนเราเวลากลัวความมืนเนี่ยมันก็จะป่นแต่งป่นแต่งจปนผีอย่างลุงเนี่ยนะบวนมาสามสิบปีแล้วก็อายุก็ห้าสบ้าแล้วจะไม่เคยเจอผีเลย แต่ว่าถ้าเป็นถ้าถ้าเราหมายถึงว่ามีมีมีจิตมีวิญญาณนะที่ที่ไม่ได้มีร่างกายเนี่ยก็อาจจะเป็นไปได้นะอย่างที่บอกไว้แล้วว่าคนเราพิถามว่าตายเราไปไหนใช่ไหมตายเราไปไหนไอ้ร่างเนี่ย มันก็อยู่กับที่แต่ว่วิญญาหรือจิตเนี่ยมันก็จะยังสามารถที่จะไปเกิดใหม่ได้แต่ว่าผีเหล่านั้นไม่น่ากลัวนะไอผีที่น่ากลัวเนี่ยคือผีที่อยู่ในใจเราผีที่อยู่ในใจเรานี่น่ากลัวกว่าผีข้างนอก น, นี่พขาไม่ค่อยไม่ค่อยน่ากลัวหรอกนะตามคนต่างอยู่ ผีที่น่ากลัวคือผในใจเราผีที่ชื่อว่าความตัวโกรธตัวเกลียดนะตัวโลคเนี่ยนี่น่ากลัวตัวโกรธตัวเกลียดตัวหลงตัวอิจฉาเนี่ยทีเนี่ยผีเนี่น่ากลัวเพราะว่ามันเกิดขึ้นทีไรมันทําให้เราตกนรกทันทีเลยนะแต่ที่บอกไว้แล้วนรกนี่ไม่ต้องรอให้ตายนะนรกนี่ตกได้วละหลายครั้ง ถามว่าทำไมต้องเอาบเพราะว่าผีตัวนี้แหละนะผีที้ฉาผีโกหกผีตัวโกรธตัวหลงนะผีติดกาทำนันนะผีติดเล่าติดยานี่ก็พวกนี้ผีทั้งนั้นผีเพียบบาทด้วยเนี่ยนี้เรากลัวผีตรงนี้ดีกว่านะอย่ากลัวผีข้างนอกเลยนะไอ้ผีข้างนอกจริงก็ว่าไม่รู้แต่ผีในใจเรานี่ มันมีแน่นอนในเวลาที่เราเผลอในเวลาที่เราขาดสติก็ต้องหาทางนะต้องสุดวิชาไล่ผีนะที่อยู่ในใจเราอันนี้แหละที่ต้องต้องมีศาสนาพุทชพุทธนาเพื่อไล่ผีในใจเราเพราะผีตัวนี้มันทำให้เราเป็นทุกข์ทำใหเราต ก, กนรก แล้วก็เด็กเด็กเด็กเด็กเด็กเั็กเด็กเด็กเด็กเด็กเ็กเด็กเด็กเด็กเด็้ 60, เ, ด เ, ดะะเด็กเด็าเด็กเา็กด็กเดกเด็กเดกเด็กเดก เก็กจะว่านเนี่ยเด็กก็จะฟังเข้าใจว่ะเข้าใจเด็กเล็กๆเล็กมากแค่ น, นี้เออ่สมพี่ว่าถ้าสมพี่เคยดูมีคู่ชีวิตนะคะอ๋อคลิปวิดี